พอเป็นวันอาทิตย์แต่มันดัดวีฝนเทลงมาอ่ามันผิดความคาดหวังไม่ตรงกับความคาดหมายสวนทางความอยากไอ้ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะเรียกลมร้อนเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจไอ้ตัวนี้ต่างหาที่มันเป็นตัวการทําให้ใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่เพราะ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 แล้วไ่ไปล่อยให้มันครอบงามจิตใจความที่เรานิ่ก็จางคลายหายไปใจเราก็ยังเป็นปกติได้ข้างนอกฝนตกหมายถึงนอกตัวเรานะฝนตกนการนำเข้ามาหรือว่าน้ำนี่มันจะเ อ, อ่อท่วมรถนะแต่ว่าใจเราก็เป็นปกติได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยทุกใจ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 นมันจะฟื้นมากินหญ้าไม่ได้ออาวแล้วปู่อ่ะปู่เนี่ยร่างก็ไม่เหลือเลยถูกเผาจนทั่งมีแค่เท่าฐานพ่อก็ยังอยากจะให้พ่อก็ยังร้องหงอยร้องไห้อยากจะให้พ่ออยากให้ปู่กลับมาใครกันแน่ที่โง่กว่ากันนะลูกชายเนี่ยถามพ่อย้อนถามพ่อเนี่ยเพราพ่อนี่หาว่าลูกชายนี่โง่เนี่ยไปเลี้ยง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 ถ้าเราไม่ได้หลงนะเฉพาะเวลามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะบางทีเราก็หลงแบบครึ่งๆกลางๆก็กกมีระหว่างที่เรานั่งฟังอัตมาบรรยายนี่มันก็จะมีความหลงอยู่เป็นระยะระยะหลงเข้าไปในความคิดคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลงเข้าไปใน เ, เรื่องงานการที่ยังค้างค า, าอยู่ มีงานที่ต้องทํามีแผนที่ต้องส่งเนี่ยมันก็หลงเข้าไปเป็นไอช่วงที่หลงนี่มันก็เหมือนกับว่าครึ่งคึ่งกลางกลางกันนะคื อ, อยังพอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างนะแ้าชีวิตรประจําวันเราเป็นอย่างนี้แหละนะก็คืออยู่เหมือนคนหลงนะบางทีก็เปลี่ยน ม, มาคนที่ละเมอนะี่คนละเมอเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะเปิดประตูได้นะตอ น, นที่เขา เขหลับอยู่เนี่ยสามารถจะเปิดประตูดได้ลงบันไดเข้าห้องน้ําได้เพราะว่าในในความคิดเขาเนี่ยนะเขาจินตนาการเห็นอะไรต่างๆมากมายก็คือฝันนั่นแหละแต่เวลาฝันเนี่ยเราสังเกตมไหมเวลาเราฝันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความจริงทุกเรื่องที่เราฝันเนี่ยในตอนนั้นเชื่อเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ